ทัศนทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยสิบปสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ ขันสามและกรัตรตารูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองาไทยวัตุตอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทารูปที่เห็นได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตตสมุทานรูปและกรัตาตารูปที่เป็นออปาทายรูปซึ่งเห็นได้อาศัยมหาภูตรูป hi, เ, าาร เ, เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทารูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้ อาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะจิตตสมุทานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้อาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นอารมณปัจใจ й, 19, สิบเก้าสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาะวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้น อาศัยขันสองในปฏิสนธิคณะขันอาศัยหาไยวัตถุเกิดขึ้นอธิปติปัจจัยี่สิบสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองมหาภูตรูป 3, าสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้น อาศัยมหาภูตรูปสองจิตตสมุทานรูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ 2, ้นเพราะอธิปฏิปัจใจได้แก่จิตตสมุทานรูปที่เห็นได้อาศัยขันธ์ที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นจิตตสมุทารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นย่อเพึงเพิ่มทุกปัจใจหนึ่ง ปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนยี่เอเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสาวาระอานันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอเศวัณรสปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสาวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระมรรคปัจจัยมีสาวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสาวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิัตาปัจใจมีสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบหนึ่งปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจจัยีย่สิบสองสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนั่นเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้น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 โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจชาและที่โสหรโคด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจชาและที่โสหรโคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้อาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอูตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญัตถพรมกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปปัจใจได้แก่ ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะอาศัยมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาจาัญจัตตพรมกระตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น เพิ่เพิ่มทุกปัจจัยอย่างนี้สองปัจจยปัจญิยะสองสังคยาวาระสุทนัยยี่สิบสามนเหตุปัจจัยมีสามวาระนอารรมณปัจจัยมีสามวาระนัอทิปติปัจจัยมีสามวาระนอนันตรปัจจัยมีสามวาระนสมณันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระ นภุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปชาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาศุณหปัจจัยมีสามวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยมีสามวาระนอินทรียปัจจัยมีสามวาระนชานะปัจจัยมีสามวาระนมคราปัจจัยมีสามวาระนสัมบุญตปัจจัยมีสามวาระ ณมิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยจกสปัจจญานุโลมปัจจน尼ยะเหตุทุกขนยี่สิบสี่ณอรมณะปัจใจกเพเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละสามวาระ นักกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระอนุโลมะปัจจญญะจบสปัจญะาปัจญญานุโลมนัเหตุทุกขในยี่สิบห้าอรามะณะปัจใจขับนักเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ พันันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมันันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับนัเหตุกปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาเศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงชานะปัจจัยมีสามวาระ มัคคับัจจัยมีหนึ่งวาระสัมำยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจญิยานุโลมจบสหชาตาวาระเหมือนกับปฏิจัวาระ นิทัสนะทุกะสปัจยะวาระหนึ่งปัจยานุโลมเหตุปัจใจยี่สิหกสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ทมสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ให้เป็นปัจใจเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทารูปที่เห็นไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้ให้เป็นปัจใจเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณะหาทยวัตถุ ทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมหาภูตรูปหนึ่งละถึงจิตตะสมุทฐานรูปและกระตัตารูปที่เป็นอุปาทยายรูปซึ่งเห็นไม่ได้ธรรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เห็นไม่ได้ธรรมไภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงเพิ่มสองวาระแม่นอกนี้อารมะณะปัจจัยยี่สิบเจ็ด สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ทำสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้ทำขันสองในปฏิสนธิขณะละถึงขันธรร ม, ทามาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากขววิญ ญ, ญาณทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เห็นไม่ได้ ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อยี่สิบปดเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระอนุโลมจบสองปัจจะยะปัจจนียะนเหตุ ป, ปัจจัยยี่สิบเก้าสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ทำสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้ทําขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทําขันธ์สองละถึงในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมจะขูวิญญาณทําจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทํากายญาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้ทํามะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทจจะและทํามะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงเพิ่มสองวาระนอกนี้ยอ่อสามสิทธเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระณนะอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึง โนวิคตะปัจจัยมีสาวาระปัจจนียจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะามสอ็นอารรมณปัจใจกระเพตุปัจจัยมีสามวาระละถึงนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนาทิปัจจัยมีสาวาระโนวิคตปัจจัยมีสาวาระอนุโลมปัจจนียจบ สปัจยปัจญิยานุโลมสาสสองอารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระปัจญิยานุโลมจบพึงเพิ่มนิสยวาระอย่างนี้เก้าสัญญาสนทุกะหสังสัทวาระ หปัจ ญ, ญานุโลม 33. สาสสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดรคนกับสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้ เ, เ ก, จจดกิดรคนกับขันสองละถึงในปฏิสนธิขณะละถึงสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดรคนกับสภาวธรรม ท, ที่เห็นไม่ได้พ เ, ไไดเพราะอารมะณปัจจัยพึงเพิ่มบททั้งหมด กลับการนับสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้สัมประยุตตวาระเหมือนกับสังสัถวาระเก้ชนิทัสนะทุกะเจ็ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังกาวาระเหตุ ป, ปัจจัยสามสิบสี่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่เหตุที่เห็นไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สังขยุจจคันและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้โดยเหตุกปัจจัยได้แก่เหตุที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้โดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้ โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยสามสิบห้าสภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่เห็นได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึง โทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักรขรูปายะตะนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอารมณปัจจัยขันธ์ที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอารมณะปัจจัยได้แก่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 พิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจักสุกายเสียงอทัยวัตถุและขันธ์ที่เห็นไม่ได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงทมนั่นจึงเกิดขึ้นบุคคลฟังเสียงด้วยที่ประสงท่าตรร์รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เห็นไม่ได้ด้วยเจโตปริยายานอากาสารัญจายตนะเป็นปัจจัยแห่วิญญาณัญจายตนะ อาคินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแขกในวาสัญญาณาสัญญายตนะสัทายตนะเป็นปัจจัยแข่โสตะวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแขกกายวิญญาณขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแข่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอรมณปัจจัยอัติปฏปิปัจจัย 36สภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยทธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินรูปที่เห็นได้ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินรูปนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้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 อธิปดิธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สามพยุตธขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้โดยอธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดิธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้โดยอธิปฏิปัจจัย สภาวธรรมที<น>่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งสัมปยุตตะขานและจิตตสมุทานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยสาสเจสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ โดยอนัตต ร, รปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิด ก, ก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนัตต ร, รปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตระภูโคตระภูเป็นปัจจัยแก่มรรคในวัสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัตโดยอนัตตรปัจจัยสม น, นันตระปัจจัยเป็นต้นสามสิบแปดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยาปัจจัยสาสิเก้าสภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณูปาณิสยา และประกาตูปนิสิยะประกาตูปนิสิยะได้แก่บุคคลเมื่อปรารถนาวันณสมบัติจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถวันณสมบัติเป็นปจัจเจกขจัดศรัทธาความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและพระสสมาบัติโดยอุปาณิสิยะปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจเจัยแั่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอุปาณิสิยะปัจจัยมีสามอย่าง คืออารามโนปานิสยาอนันตรูปะนิสยาและประกระตูปะนิสยาปะกระตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเธอทิทธิอาศัยศีลเสนาสนะแล้วให้ทานทำลายสงศ์ศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละถึงพระสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยปุเรชาตะปัจจัย สภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยปุเรชาติปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่เห็นได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปโดยที่ประจักุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาติอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุภาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมินัตจึงเกิดขึ้นบุคคลฟังเสียงด้วยที่ประสงค์ตถาทัตสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โซตะวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยบุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่ จักกายตะนะเป็นปัจจัยแก่จกักขวิญญาณกายายตะนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เห็นไม่ได้โดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะวัตถุปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะและหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแข่ข oh well ันที่เห็นไม่ได้โดยปเรชาตาปัจจัยรูปลายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโดยปเรชาตาปัจจัยปัจฉาชาตาปัจจใจ41สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยปัจฉาชาตาปัจจัยได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแข่กายนี้ที่เกิดก่อน เร่งเห็นไม่ได้โดยปัจฉาช um. าตะปัจจ enfin ัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้โดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้โดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้โดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวณะปัจจัย42สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอาเสวณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้ซึ่งเกิดหลังๆอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทาน โตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคภทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาศุวรณปัจจัยกรมมปัจจัย43สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคเนกะสหาชาตตะได้แก่เจตนาที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้ โดยกรร ม, มปัใจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณนกะได้แจ่เจตนาที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกะตัตตารูปที่เห็นไม่ได้โดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เห็นได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะพึงขยายให้พิสดารสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยกมรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนาน า, นาคเนกะพึงขยายให้พิสดารวิปากะปัจจัยเป็นต้นสี่สิบสี่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยวิปากะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มเกวียนกราหารทั้งสามวาระ เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มรูปปัจจิวิตินสีทั้งสามวาระเป็นปัจจัยโดยชนะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรคราปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยสีสหสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะ ปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทนานุรูปที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตะปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตะปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิปยุตตปัจจัย อุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายยยตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้ โดยวิบิยตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปที่เห็นได้โดยวิปิยตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้โดยวิยปิยตตปจจัย สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่จิตตะสมุทฐานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจชาชาตะได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแคลไายนีเทือเกิดก่อนซึ่งเห็นได้ และเห็นไม่ได้โดยวิบยุตตาปัจจัยอธิปัจจ e. ัยเป็นต้น46สภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปที่เห็นได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมินะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทีิพยจักขุรูปายตนะเป็นปัจใจแก่จักขุวิญญาณโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทานรูปที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยอาศัยขันธ์สองละถึงย่อพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตรพรม ปูเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนาจึงเกิดขึ้นบุคคลฟังเสียงด้วยที่ประโสงค์ธาตุศรัทธายตนะเป็นปัจจัยแ่โซตวิญญาณโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแ่กายวิญญาณจากขายญาตนะเป็นปัจจัยแ่จากขวิญญาณกายายญาตนะเป็นปัจจัยแ่กายวิญญาณหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแข่ขันที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแขกายนิที่เกิดก่อนซึ่งเห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยเกลื่อนกราหานเป็นปัจจัยแขกายนิที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยรูปปัจจิวตินรีเป็นปัจจัยแขการูปที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้โดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหาชาตะได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้โดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปและกระตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเห็นได้โดยอธิปัจจัย ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรานที่มีอุตุเป็นสมุทรานสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรมมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแค่คตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเห็นได้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแค่กายนิที่เกิดก่อนซึ่งเห็นได้โดยอธิปัจจัยเกวลิงกราหารเป็นปัจจัยแค่กายนิที่เห็นได้โดยอธิปัจจัย รูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตารูปที่เห็นได้โดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจใจมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้ โดยอธิปัจจัยขันสองละถึงในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและข ต, ตารูปที่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุฐานสำหรับเราอารสัญญัตรพรมมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ขตารูปที่เป็นอุปาทยรูป ซึ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัย47สภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้โดยอธิปัจจัยรูปายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จกักขวิญญาณโดยอธิปัจจัย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 ชาตาปัจจัยมีสามวาระอ huh ัญญมัญญปัจ <IS> จัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัช้าชาตปัจจัยมีสามวาระอาศัยวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยะปัจจัยมีสามวาระ ชานะปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจใจมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจียุทธาระสี่สบแปด สภาวธรรมที่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอรมณะปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอรมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารตปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ เป็นปจ ja ัจจ ir ัยแห่สภาวธรรมที่เห็นได้โดยสหชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้โดยสหชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยอหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้ เป็นปันจจัยแห่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยปุเรชาตปัจจัยสองปัจยะปัจจนียสองสังคยาวาระสุทไนห้าสิณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอารามะณปัจจัยมีสี่วาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสหชาตปัจจัยมีห้าวาระ ณอัญญมัญญปัจจใจมีห้าวาระณนิสียปัจจัยมี่วาระณอุปาณิสียปัจจใจมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมี่วาระณปัจฉาชาตะปัจจใจมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระนสัมบยุตตาปัจจัยมีห้าวาระณวิบยุตตปัจใจมีสี่วาระโนอัติปัจจัยมี่วาระโนนัติปัจจใจมีห้าวาระ นวิคตตปัจจัยมีห้าวาระโนอวิคตตปัจใจมีสี่วาระปัจญียะจบสปัจจญานุโลมปัจญี่ยเหตุทุกขะในห้าสิบเอ็ดณอารมณะปัจใจเขาเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอันันตระปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระ นอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระละถึงนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระอนุโลมะปัจญิยะจบ 4. ปัจญยะปัจญิยานุโลมนเหตุทุกขะในห้าสอารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ อธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ กรมปัจจัยมีสามวาระมัคค ะ, ะปัจจัยมีสามวาระสัมบยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิบยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนณติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระปัจญิยานุโลมจบส น, นิทัศนะทุกระจบ